พระธรรมเทสนามโหสถจาดกจอมปลาแห่งมิถิลาภุกติเจตฟังแล้วเกิดพยาปัญญาปางเุชาลาดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับปืนเมืองโดยปออินสมชัยชมพูรปรเปรียนทำฮกประโยคนักักทมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงาย นาโมตสะภะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเทกาติวาสังราชวิญญาณังกันตุกามอาหุสิติ สาธวุราส ป, ปุริตาตั้งลายตั้งยิง่งใจหนุ่มเทาอันมาหนังเฝ้าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทขบบาลีว่าอาเทกติวะสั่งราชาดังนี้เป็นต้นบัดนี้แดเตอ อาเทกาตีว่าสั่งยังมีวันหนึ่งเหล่าเต้าเป็นเจ้าห่อใจ น, นินมีใจไข้ผาก อ, อกไปจากบุรีจมดวงดีดอกไม้ในส่วนใหญ่อวิญญาณจริงมีราชโอคงการปุงขาดงือามาต่างตาตีสัญญาเป่ารอง ไปไข่หองเวียงใจคือค น, นใดไข่ไตเพียวต่างไตพันภายคนหญิงใจทั่วหน้าแบ่งปันตาไพยมัน <c oughs> ต่างเดี่ยวปันปัดกวด่าเธอสะอาดดีงามสวรใจร่ำหนุ่มนาอันเป็นพวกเก่าราชเทวีตามันมีเหมือนมูม พงเที่ยวอยู่เดียวดายย้อนคนตั้งหลายน้อยใหญ่เนี่ยเมีนยนไขหนีไปมันมีใจซาตานเนี่ยขี้ยานอินยานเนี่ยบ่อนานก่อยังเหือย่้อยลังเต็มตัวยามนั้นเจ้าเนื้อหัวที่ราดกับดังดาตอุตมปอนเตวีขึ้นรถดีเล็มใหญ่มารอดไก่ตัวมัน <c oughs> นางตาวิหันจำได้ก็อเกิดไขคดิ้งในว่าใจาจังไรนี่ใส่ลักูไว้ไกลตาบนรุกคาต้นเดือใจบอ่เอื้อผาร่มตัดนามถมเก่าไม่กูลงบ่ได้ดังหมายมันผ่านภายเล่นว่าเอาไปนาเป็นไปกูคดิ่งในดันสอด พิจารณารอตั้งวันว่าตัวแห่งมันดันเล่าเป็นลูกเจ้าเศรษฐีหรือเป็นเสนาบอดี้ยดใหญ่ปติป้อยหือตานใจกะทัมกาน กําโบราณเก่าวแก่หากแม่นแต่ดีดีว่ากาละกินนี้ตัวถอยบ่อจ้องห้อยสรีนางเตวียศใหญ่ก็ไขหัวใส่บัดเดียวถ้าอาจารย์เลี้ยวทต่อว่านางนอโซฟาไขหัวสังจ้าไขหูจุงเกาูมาไวนางก็ไขบอกเรา ตั้งแต่เก่าสุดปลายหื้อเต้าบุญภายยดใหญ่หูแจ้งไขตามมีเจ้าปุรีวิเตหราชบ่อเสียงขาดสังกาถอดดาบมารีพาวว่ากรำดังเก่าปันฟังบ่อซัดจังเตียงแต่นางเก่าแก่มุสากันบ่จ่าเก่าวจี้ เือแจ้งทีเรียวปันกูจากฟันดังนาธือชีวิตขาดบัดเดียวนังชุมจะเลี้ยวหนอเน่าก็ใคร่บอกเล่าดังอ้อน <c oughs> แล้วอยอก่อนขับไซึ่งเตาาไทยผู้มีว่าขอเจ้าปุรีที่ราชธรรมนักผาตั้งลายว่ากำคาทว า, ยาวยเกาแก มีเตียงแต่สันใด้เจ้าหอใจวิเทหราตจริงธามเสนาการนักผาทอาจารย์ว่ากำลังทุนสารกาวจี้จักแม่นตีสันใด้เศนากาไขต้านกาวว่าคาแดดเต้าบุญภายอันว่าใจหนุ่มเนาผิวกำเสวะเสมอกาได้สาวโสภาอ่อนน้อย งามซอยโรยดังสาวสาวรรค์ใจบ่พันรักขอดอยละตอดหนีไปจกักบีในแต่ใสพับหลกไตโลกากำนังจากเกาจี้บ่แม่นตีดีลีนางเีวีหยอดซอยใดยินทอยมันจ่าใจเววาไว้วัน เนื้อตัวสันราสายย้อนกว่าตายความนาด้วยดาบกาคมบางเจ้าหอ่อควางวิเตหาราชคานิ่งขวาดไปมาวาเรนาะานีนาเก่าวจีนยังบอแจ้งทีดีงามกวนจักถามโดเหล่ายังลูกเต้ามโหสุดกุ ม, มาร <c oughs> โาอภูบานเกิดแล้วจริงธามเจ้านอแก้วบุญมีว่ายิ่งมีสหลีวิลาดปัณอาจเอาใจกองวัดใดน้อยใหญ่จบแจงไข่ดีงามคนใจรำตำโต้ได้สาวอ่อนน้อยโซภาบอ่อปีญารักขอดได้แล้วตอดลานี้ ยังจักมีอยู่แต่รือบ่อแน่สันใด้เจ้าก็ใครบอกเล่าว่าคาแดเจ้าปุรีอันว่ากาละกินนี้ตัวถอยย่อมบ่อจองหอยกับสารีเตียนย่อมนีเจียนจากลาละผากไปปันย่อมไก่กันแต่สด ลายรอยหยดดีลีดังปัสทวีโลกลาห่างจากฝ้าไปบนคนกุศลหลายหลากสรีก็อหากมีมาคนป่าลาใจถอยกาละกินนี้ย่อมหอยในตัวกาลากินนี้ย่อมกลัวบอกไก่กับคนบุญใหญ่มีสีนางเทวีเก่าแก่ ย่อมแม่นแต่ตามทำเจ้าห่อคำฟังแล้วใจของแผ้วเจิดบ้านว่ากันบอกมีมโหสดกุมารเ่าวจีเอแจ้งทีเรียวปันกูเตียงฟันดังนาทือจีวิตขาดเมื่อม้อนจักอาวอนเมื่อซอยมองตํำก้อยได้ ตาอบุญภายยศใหญ่ก่อตกใส่รังวันมีอนันต์ลายลากแสนคำหากเป็นทาราหนอพุทธาบุญใหญ่ได้ใ จ, ใจใจตามใจแลยนะส่วนนางเตวีหนอเนาก็กมเก่าทุนสาว่าคาบโมรณนาคอยกาดย่อนเจ้าน้อยหนัดดีลี ขอเจ้าปุรินยศใหญ่อาทยาใสปันไมยฮือเป็นน้องใจแห่งขา้าฮือได้หันนาตั้งวันสะเมื่อกันดังน้องเกิดรวมต้องเดียวม า, <c oughs> าได้พอจานาะหลายสิ่งราษยิงอันได้ขอนำไปฮือน้องถึงรดอทองเกหาขอเจ้าปารายศใหญ่ พันพาตูไว้ยามไปย่าหือไพยขวางกันยามย่างดันพันภายบ่ว่วยามง่ายคำเจ้าหรือยามเมืดเจ้าร้อยทีเจ้าปูรีนยอดซอยฟังนางดาดน้อยทุนสาก็วางลาปงขาดอนุญาตอยู่ภาการก็มีหันเลยนะ อเทกาตีวสั่งยังมีวันดึงเหล่าเต้าเป็นเจ้าผู้บ้านอยู่บนจานภาษาสัตดตาสวาดลงมาหันแป๊กกลับมาเป็นกูลาเล่นอยู่จอมกันยินอาซาจันบ่โน้ยกึดคาค่อยไปมาว่าแป๊กกลับมานี่เล่าเจนป่อเท่าตาใาาย บ่อเกยเป็นสะหายมิตรแก้วกินอยู่แอลจอมกันของบ่อเกยหันแต่ใส่ป่อยเกิดใดมีมาควรตั้งปัญหาถามข่าวเฮือดักผาดเก่าไขปันเจ้าห่อจันยศใหญ่เต่ากุดไว้ในใจบ่อจากใครเก่าวอู้ฮอแก่ผู้คนใดแลยนะ ที่นี่จากวันนานาจะเล่าถึงเหตุเกา่าเดิมมาว่าแปะกลับมานั่นใสเป็นมิตรกันได้สันได้ยังมีในวันหนึ่งใสแปะตัวใหญ่เดียวได้อยากย่าลายนักแก่เตียวพัดแผ่เว่ยวนหันยังค้นาำใจเกีย่วยวยาไว้นานน้ำ กองวางตํ้ปางคางในโรงจ้างพาญาก่อไก่กาบอจ่าไปกินยาบัดเดียวคนใจเหลีวหันใส่เอาข้อนใหญ่ตีหลังมีเสียงดังสะดันดูกลังลันดาตายแปดเจ็บลายลังเอ็นก็รีบเล่นหนีไปเจ็บเลือใจนักแก นอนผัดแผ่ไปมานอกติมฝาภาษาแทงเต้าที่ราชองคั้งมีมาดำตัวหนึ่งเหล่ามันอยู่เป่าเดียวได้ป่อขั้วาลายน้อยใหญ่ละรงขว้าไว้นีไก่มันเรียวไว้ลักย่องเข้าสู่ห้องโรงขั้วใจหนึ่งขั้วาลายลาก ายหนึ่งอยากเกลือการหันอาหารหลายสิ่งรสชาิยิ่งนานาอันเขาด้าแต่งไว้ถาทวายเต้าไทายฟูมินมันรีบกินบ่อพรถวยและจ้อนตำกันเสียงดังนั้นคิงของป่อขัวย่องมาดูฮดเข้าจูตีไก เอาดุนลัวใส่สันหลังมาห้องดังหลังแอนแล้วรีเลลนไปปั้นก่อพดพันไปรอดตีแปะนอนจอดนอนค้าง <c oughs> ดังลมควางเกี่ยวตองเจ็บไข้ห้องกาญามันหันมาหลังแอ็นร้องแล้วเล่นมาจูจักทำดูทีอเสียงตีสงสัย จิงจะไขทมเล่าว่าดุราสหายเจ้าตัวดำลมปิดยำเกี่ยวข้องเกิดในต้องมึงจะสันได้นาหลังแอนร้องแล้วแหลนเรร่นหรือว่าคนน้อยใหญ่เอาข้อนใสสันหลังกู้ไขฟังนักแกจุงก่าวแกไขกำ มาตัวดำเกาอู่หือแปะหูจูอันอันแล้วทำมันแถมเล่าว่าดูราเจ้าสหายดูเจ็บไหลนักแก่นอนพัดแผ่ไปมาสันดเจ้าดังนี้จุงเกาวจีมาไว้แปะก็ไขเกาอู่หือมาหูตามีต่างเครื่องขีลำหมอกต่างใครบอกขีหยา แปะรรมาแทมเล่าว่าดูระเจ้าสหายมึงอาจผันภัยไว้ว่องเข้าสู่ห้องโรงคัวจิ้นป่าหนัวบ่อไร่าอาจกินได้ป้อสองหรือบ่อปองเตียวสอดเข้าไปรอดโรงคัวย้อนว่ากลัวตันค้าให้ความนามรณา มาก็จะต่อทอยว่าคนใหญ่น้อยมีลายกูเตียงตายแน่มันกันเข้าไปติหันสองตีคนเตียงตีบ่อจ้าือความหน้ากลางสานามมาก็ําแปะเล่าว่าปั่นดังเจ้าสะหายอาจพันภายหวหน้าไปกินยาป่อสองจรือ แปะ อ, อือตอบทอยว่ากูเตียงกัดก็เอมารน า, าบอกอาจไก่กาอ้ายนาไปกินยาพอสองแปะทารีปองเสียงไข่ก็คืดใดอุบายว่าเราสองสะหายจุงอยู่เป็นมิรกูเตรียมกันภายพันอ้อยนา ไปกาบเอายาปั่นกูย่อนคนดูอยู่ไกลบอหหอนใดสงสัยเหตุมาไหนโลกละบ่กินยาดีลีกูบอกนีลาพากออกไปจากเสียไก่เท่าจากไปยื้อยองเข้าสู่ห้องโรงครัวจิ้นปะาหนัวหลายสิ่งรสสั่นิ่งหลายอัน จะกาบมาปั่นมึงเล่าบอกว่าเมื่อเจ้ายามปั่นคนมาหันป้าใสบอกก็ไข่ทรงใสย้อนแปะในโลกลากินแต่ยาได้ได้จิ้นปลาลายนั่นใสแปะกินบ่ได้ดีดีมาหันดีจอบสู้ดังแปะอูจะใคร พัดนันไปไป้ายนามาไปกาบยามาปั่นแปะก่อพันไว้ว่องเข้าสู่ห้องโรงคัวจ้นป่าหนัวมีไว้รีบกลาบมาได้ปั่นมาตั้งสองขาเป็นกู่แลกกันกินอยู่ตั้งวันหักแป้งปันอ่วงค้องดังเกิดรวมต้องเดียวมาก็มีฮันแหละนะ่ะ อูนาตีวเสกันวันลูนมาไขนักพาดใหญ่ตั้งหลายเสนนักใหม่เป็นเก้าปากุตาเล่าทัดสองผู้หูกองแบบเบากาบินเล่าเป็นสามเตวินตามเป็นสีเนี้นากีเจยบ้านมะโหสดกุมารนอละเป็นทวนหาสุดปลาย ก็มาทาวายขับไซึ่งเต้าไทยผู้บ้านเต้าก็มีราชเจ้าองการป่งขาดว่าดูรานักผาาตัง้งหลายจุงกฎหมายฟังข่าวเราจะกล่าวปัญหาสัตว์ได้จ้าแต่ก่อนมีไข่บนจุมปูย่อมเป็นสัตว์ถูตัวราย ตางตอบทายเบียนกันบัดนี้บันทังกูเป็นมิดอยู่เฟื่อแฝงรักปันแป้งลายหลากบ่อลาจากเสียกันจุงไข่ปันเกาวจี้หฮือแจ้งทีหันใส่กันคนใดบอแกเฮือแจ้งแน่ตามมี จักคับนี้เจียนจากคือได้ภาคเสียเมืองกันเต้าบุญเรื่องที่ราดก่าวเสียงขาดสุดปลายนักผาดลายฟังแลว้ว <c oughs> บ่อกาดแก้อสังกาพิจาระนาขึ้น่องบ่อแจ้งสองหันใสบ่มี่ไผ่เก่ากมนาอยู่เมื่อนาน เสนากาอาจารย์ผู้เทาก็แลพพอเจ้าบุญมีโนมูนีบุ่ใหญ่ก็และตาใสสัญญาว่าพงพิจารณากึดอยู่บ่ออัดอูอาการเสนาการย์นักผาาหูแจ้งขวาดสัญญา จิงทุนสากมเก่าไว้เต้าเจ้าปาร้าว ป, ะวะปัญหานีนะเลึกยากแก่ลำบากเหลือลายบอาย่ออาจไมยแก่ได้ืฮอแจ้งไขบัดเดียวขอปอกเลวคืนสูญยังติโยเกหาปิจจารานะดูเหล่าวันพกวกเจ้ายามง่ายจักมาทัวายาวเก่าวแก่ืฮแจงแน่ตมมี เจ้าภูรีที่ราดก่อโอกาสกำไปว่ากันรอดในวันผูกแก่ บ, บ่ถูกตามไรเราเบ้ใหม่เลี่ยงไว้ฮืออยู่ไกลกองตาจากฮือไกลกาละภาคนีเสียจากทานีกือฮือนีรีเผาไปอยู่ต่างดาวสถาน ศีนากาจันฟังแล้วใจฟ่องแผวเหลื่อยไหลโยมือท้าวไวกรมเก่าไว้เต่าเจ้าหอจันแลอวปะกันม้วนมู่ป่อขึ้นสู่แกหามันก็จะบอกเล่าว่าจุมสู่เจ้าตั้งลาย อย่าดูได้ผ้ามาเรีบคึดขวาดไผมันขึ้นกับวันมีใสหฮือแจง้งไข่ขี่ยาถึงยามาวันผูกกันแก่บอดถูกตามมีเตียงได้นี่รีพาวตามกำต้าผู้บ้านจุ่มอาจารย์ตั้งสี่ตั้งไปสูตีไผมันนอคุณท่านนุ่มเนาก็รีบเข้าไปหา ยังราชญาญยศใหญ่คือนางนาดไทยอุตุมปนเตวีแล้วใครว่าตีทำเล่าว่าเต้าเป็นเจ้าผู้ทอนในวันอ่อนวันก่อนเต้า อ, อยู่บนหนในนานางเตวีไขบอกเล่าว่าเต้าเป็นเจ้าผู้บ้านอยู่บนจานพาษสัตร สัต์ตสวาดไปมาตามปะสุธาตามใตที่จิมไกหอใจเจ้าใสา่ใจฟังแล้วรีบกาดแก้วภายพันลงหอจันภาศาสัสตตสวาดไปมาหันแป๊กกลับมาตั้งกูเป็นมิตรอยู่จอมกันนอคุณทันหันแล้ว ใจพองแ้วเลือลายรีบพันพายขึ้นสู่ยังที่อยู่เฮือนตนก็มีหันแลยนะส่วนอาจารย์ตั้งสี่บ่อแจ้งทีหันใสดังอยู่ในตีมืดยิ่งคิดยิ่งฝืดยิ่งกึดยิ่งฝืดตันพายาใจเววาลายลาก ขวาได้ภาคเสียเมืองตุกขีเครื่องบ่อน้อยมาจังหอยก็พันต่างทำกันตั้งสีว่าไพ่หู้ทีหันไส่ขอจุงไขเกาอู่เฮเจ้าหมูหัวตามทำยาบังอําลับไว้เือแจ้งไข่จูพักการ เสนากาจาจรผู้เท่าวาเรานี่เล่าตันใจกึศต่างได้เบาปองดังอยู่ในห้องตึบตันพอบ่หันเป่งป่อยรอยว่าเจ้านัดโน่โมโหสถผู้พญาพากุดฉลาดจังหูขาดขีญา กวนเราไปหาทำข้าวขอมันกาวไขรปั่นกันจากกันเมียนแล้วก็กาดแก้วพันภายสีสหายนักผาาร้อนไม่มาดเลือใจเรีเปรียวไว้ไปสู่ยังตี้อยู่หนอหมูนีไรว่าตีทำเล่าว่าดูราเจ้าบุญนา อันว่าปัญหาเต้าไทยเจ้ายังแกใดดังใจหรือบ่อหันใสแจ้งทีดังเต้าทีธทำมาสีเรารานิ่ใสแกบอ่อใดดีลีกันเจ้าบุญมีหากรู้ขอจุงก้าูไข่ฟันขอจอมฟันบุญใหญ่เมตตาไฟคุณ น, นาบอกเราราจูผู้ให้ได้หูตามมี หนอมูนีน้อยนาดคะนิงขวาดในใจว่ากันบอกใครก่าอือเขารู้ตามร้ายเต้าบุญภายยศใหญ่เตียงขับไล่เขานี้จากปุรีแต่ต้องไปอยู่ห้องไกลตาตุกเครื่องกาบ่อน้อยเตียงจ้องห้อยตัวเขา กวรตัวเราเก่าหื้อเขาหูตามมีบอกหื้อได้หนีเจียนจากได้ป้นลำบากเรื่องกาหนอพุทธานุมเนาจักบอกเราตามราย <c oughs> ว่าดูรานักผาดลายตั้งสีจุงฟังทีจำเอานอกจากเรานี่ใส่ไัจักหูได้หรือมี จิงสอนกาถาดีกุลมากสีกาถาหากเป็นหมายหือนนักผาดลายผู้ใหญ่จำเกวไว้เป็นทาราคนลกกะกาถาจูผู้เขาจื่สูยินดีต่างไรวตีอ่อนอ้อยยอคุณเจ้านัดน้อยนานา แลออกอลาขึ้นสู่ยังที่อยู่ภัมันก็มีฮันแลลน่ะผู้นาทีว่เสกันวันลุนรุงเจ้านักผาดหนุ่มเทาตั้งหลายก็พันภายไปไว้เส่งเต้าไทยภูมิ เจ้าปุริทิราชทันนักพาตมาจูจักทำดูฮือที่เฮือเข้าจี้ไขการจริธรมเสนากาอาจารย์ผู้เท่าวาดูรานักพาดเก้าเวียงใจตันยังหันใสแจ้งทีอาจจักจี้ไขจ้า ต่อปัญหาเราไทยอันทมไว้วันอ่อนจะรือมันอาอือกมเกาว่าข้าแด่เต้าเจ้าเนื้อหัวกันว่าตัวข้าไทยบ่หูไข่หันใสจักวิภัยนั้นเล่าหูเงือนเก้าปัญหา มันก็กาวกคคะทาคุณมากอันมันหาเขียนเอาจากตนคิงเล้าอ่อนน้อนยให้เต้าหยดซอยปาราว่าโอ ก, กาปุตาราชาปุตติดังนี้เป็นตนว่าข้าแดมหาราชเจ้า ตนเป็นปิ่นเก่าภาจ้าจิ้นแปะนันนาลำมากจูผู้หากหุ่มกินลูกพระผู้มินยดเง้ยวตนภาพดาวปาราลูกเสนาอาหมารดภาจาราตนิงใจรีปนลายมวนมากจูผู้หากเปิ่ใจ บอกมีไผยสักผู้จักจื่นสูกินมาบอกเอามาเลี่ยงใสพับเสียงไข่าปาราแปะกับมาตั้งกู่จริงเป็นบิดอยู่จอมกันเจ้าหอจันฟังแล่อใจพองแผ่เจยบ้านวาเสนากาอาจารย์ผู้ใหญ่หูแจ้งไข่ปัญหา เต้าจรจัดทำเหล่าสึงนักผัดเก่าปากุตะอาจารย์มันก่อทุนสารน้อมไว้ส่งเต้าไทยผาปราเก่ากาถาบาทเก้าอันเฮียนจากเจ้าบุญมีว่าจำมังวิหานันตีดังนี้เป็นต้น ว่าคาแดมะหาราชเจ้าตนเป็นปิ่นเก้าจอมไตอันว่าคนเวียงใจไผ่ไตตั้งอาหมัดใหญ่โยธายอมเอาหนังเปะมาปูลาดบนหลังมาเตรียมใจบ่มีไผ่แต่ใสจักหุ่มใจหนังมาเหตุนั้นอาสัตตังกู จิงเป็นมิตรอยู่จอมกันมันไข่ปันเต้าอีบ่หูทีความในเจ้าห่อใจฟังแล้วใจฟ่องแผ่วเจย์บานจิงถามกาบินตาอาจารย์แถมเล่าว่ากันหูเก้าขีดยาจุงไข่จาเก่าจีเฮ่แจ้งทีบัดเดียว มันก็เรียวก้มเก่าใครบอกเล่ากาถาอันมันเฮียนมาจือได้จากหนอพระติวัยบนมีว า, าเวลิตะสิงกิโกดังนี้เป็นเก่าว่าคาแดเจ้าปุรีเขาแปะมีตั้งกูดูกดลูไปหลังใจบ่าวังจินเนือบ่อไฟเอื้อกินปลา เต้าแวะหาคุมปากินแต่ยาได้ได้ส่วนมาตั้งลายน้อยใหญ่กินเสียงไข่จ้นป่าบ่อผาธานากินยาตามคุมปารอมข้าแปกกับมาตั้งกูจริงผูกมิดอยู่จอมกัน จเจ้าจันทร์ฟังแล้วใจฟองแผวยินดีจริงใครวาตีทำเลาสึงนักผัดเก่าเทวินตะอาจารย์มันก็ทุนสารเก่าแก่บอกยังกฐาอันนอพุทธาบุญใหญ่ได้บอกไวสอนปัน วาตินามาสิปาลาสะมาสีดังนี้เป็นเก้าว่าคาแด่เจ้าปาร่าแปะนันนากินยาตามคุ้มปามรอมข้าสวนรบามาไฟเอื้อกินแต่เนื้อตั้งวันเหตุนั้นมันตั้งกู่จิิงผูกมิดอยู่จอมกัน จู่คืนวันบ่อผากนี้ละจากเสียไก่เจ้าห่อใจฟังแล้วใจพองแผวสมมนัสตาจริงทำนอพุท ธ, ธาแถมเล่า ว, ว่าตัวแห่งเจ้าบุญมียังหูดีแจ้งที่บ่มีตีสังกา ยังปัญหาเราไทยอันทมไว้วันออนเจ้าก่อนย่อก่อนกมเก้าว่าคาแดงเต้าเจ้าเนื้อหัวกันว่าตัวคาน้อยบ่หูเป่งป้อยหันไสจักมีไผยนั่นใสหูแจ้งไข่ตามมีหนอมูนี้น้อยหนาจริงเก่าบาทกาทา ว่าทาปะาโตดังนี้เป็นเก้าว่าคาแดเจ้าปุรีตินแปะมีทวนทีนับปอสีดีลีเกีบมันมีแปกีบมันลักลีบนำมายังจีนป่าลายแหลยืนปันแกตัวมามานันนาบ่อจ่าไปลักกาบญามาปัน แล้ววางปั่นแปะใหญ่แลกกันเลี่ยงใส่เบิ่นมาแปะกลับมาตั้งคู่จิงผูกมิดอยู่จอมกันหักแป้งปั่นลายหลากบ่อลาจากมีไก่เจ้าหอใจยดใหญ่ก็หากได้เล่งหันนอคุณทันเก่าแล้ว ตาอ่อนแก้ววิเตหราชสมมนัสจาจมจื่อปีติตื่นยินดีเจ้าปุริยศใหญ่บอกไขอาการว่าอาจารย์ตั้งสี่ได้กล่าวที้ปัญหาย้อนนอพุทธนุ่มเนาได้บอกเล่าสอนปันเจ้าหอจันยศยาวฟังเข่าเก่าวจาะไร ม่นดังใจจูผู้ว่าเขาหูเองเดียวจริงรีเพร็ยวปงขาดอามาต่างตาแต่งรถมาบอจ้าจเตรียมด้วยมาจ่าในตั้งบานสวยไรมีมากแสนคำหักเป็นไม้นักผัดลายตั้งหาพ้อมทวนนาเสมอกันก็มีวันนั้นและนะ เนธตังขีญาสังวันนาณวิเศษจาห้องเหตุมโหสดผูกตัวเจ็ดยังบ่อเซจสุดยอดขอยังจอดเป็นข้าวจักไข่เน่านักกว่าเนี้ยปู่ป้าเอาอาดักฟังมาแต่เจ้าจักปวดเข่าสันหลัง เสียงทำดังแจ้วแจ๊วปล่อยใจแอลเสียกจจริงคอไข่เต่าอีเต่านี้ก็เอวังลงก่อบังคมสมริจเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนและ